ที่นี่ไม่ได้สอนอะไรวุ่นวายมากมายนะบางทีเราก็วาดภาพไปเราจะเรียนกรรมฐานก็จะเรียนเรื่องนั่งสมาธิที่จริงแล้วการฝึกจิตฝึกใจนั้นมันมีสองอย่างอนหนึ่งคือฝึกใจให้มีความสงบมีความสุขอีกอานหนึ่งคือฝึกใจให้ฉลาดมีปัญญารู้ความจริงของชีวิต ฝึกใจให้มีความสุขความสงบนะเราก็จะได้รับความสุขอยู่ช่วเวลาที่เราท่งสมาธิอยู่เวลาเราออกจากสมาธิแล้วใจมันก็เป็นทุกข์เหมือนเดิมหรือบางทีทุกข์มากกว่าเดิมส่วนใหญ่จะทุกข์มากกว่าเดิมเพราะตอนที่เรานั่งสมาธิจิตสงบสบายไม่มีอะไรมากระทบกระทั่งออกจากสมาธิมาโลกนี้จะเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดเลยกระทบอะไรนิดหนึ่งมันหงุดหงิดไปหมดแนละ้ว เพราะว่ามันหยาบตอนอยู่ในสมาธิจิตมันอยู่กับอารมณ์ที่ละเอียดที่ประณีตเพนการทำสมาธิเป็นการฝึกจิตฝึกใจให้สงบเนี่ยมันได้รับความสุขชั่วเวลาที่เราทำสมาธิอยู่แต่มันก็ทำให้เราแช่มชื่นใจมีเรื่อวมีแรงออกจากสมาธิมาแล้วมันก็เสื่อมความสุขนั้นก็หมดไป พระพุทธเจ้าเห็นว่าตรงนี้มันยังไม่ใช่สาระที่แท้จริงสาระที่แท้จริงนั้นถ้าเราฝึกสำเร็จแล้วเราควรจะมีความสุขได้ยาวๆได้ตลอดไม่ใช่เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เรื่อยๆไปพระพุทธเจ้าก็ค้นพบวิธีพัฒนาจิตใจให้เกิดตัญญาแ้ท่านรู้ความจริงขึ้นมาว่าจิตใจมันมีความทุกข์ได้เพราะมันมีความอยาก จิตใจมีความอยากได้เพราะไม่รู้เพราะความไม่รู้งนั้นถ้าทำลายความไม่รู้นยทำลายด้วยความรู้เมื่อไหรมีปัญญาเมื่อนั้นก็หายโง่เมื่อไร่หมดความโง่เมื่อนั้นจิตก็หมดความอดอยากหิวโหยเมื่อไหร่จิตหมดความอดอยากหิวโหยจิตก็หมดการดิ้นรนแสวงหาจิตก็มีความสุขมีความเต็มมีความอิ่มอยู่ในตัวของตัวเอง อันนี้ถ้าเราฝึกได้เต็มที่เต็มภูมิแล้วมันไม่เสื่อมอยู่ไปเ้อทั้งถึงวาระสุดท้ายของชีวิตไม่ต้องไม่ต้องรักษาจิตอีกต่อไปลวมันมีแต่ความสุขมีความเต็มมีความอิ่มหมดภาระทางจิตใจอย่างทาบวนนะจนวันที่ธาตุขันแตกดับไปก็หมดภาระที่จะต้องดูแลขัน เพะสิ่งที่พวกเราต้องเรียนนะมันไม่ใช่แค่นั่งสมาธิให้ใจสงบสิ่งที่พวกเราต้องเรียนให้ได้คือวิธีที่จะเจริญปัญญาทําไงจะทํำลายความโง่ในใจของเราได้ความโง่เขามีมากมายนะความโง่อย่างโลกโลกเนะี่ยไม่ใช่สาระแก่นสารความรู้ในโลกมีไม่มีที่สิ้นสุดเรียนไปเท่าไหร่นะก็ยังโง่อยู่เท่านั้น อย่างที่แรกทำกล้องดูดาวได้รู้สึกโลกมันกลมมีความรู้ใหม่มก็ฉลาดสุดท้ายไปดูโลกอื่นๆก็น่าดูอีกยังมีสิ่งที่ไม่รู้อีกมากมายเหลือเกินเรียนออกไปนอกจักรวาลแล้วยังไปเจอจักรวาลอื่นอีกมีแกแล็กซี่อื่นอีกความรู้ของโลกเนี่ยเรียนไปเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่เต็มมันไม่หายโง่งสักที สิ่งที่พุทธเจ้าสอนเราให้เจริญปัญญาเนี่ยไม่ใช่เรียนเรื่องข้างนอกแต่เรามาเรียนเรื่องตัวของเราเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือกายกับใจนี่เองเราจะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจถ้าเรารู้ความจริงของกายของใจแจมแจ้งแล้วนความทุกข์จะไม่เกิดขึ้นอีกอย่างคนทั่วๆไปเนเวลาแก่ขึ้นมาก็มีความทุกข์เกิดขึ้นเพราะาไม่อยากแก่ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็มีความทุกข์เพราะไม่อยากเจ็บป่วยเวลาจะตายก็มีความทุกข์เพราะไม่อยากจะตายเวลาพลัดพลากจากสิ่งที่รักจากคนที่รักก็มีความทุกข์เพราะไม่อยากจะพลัดพลากจากสิ่งที่รักเวลาเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจก็มีความทุกข์เพราะไม่อยากเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจเวลาอยากใดๆแล้วไม่ได้อย่างที่อยากยิ่งทุกข์หนักเข้าไปอีกนะนี คนในโลกนี้ไม่มีสติไม่มีปัญญาพอใจมันไม่รู้ความจริงของกายไม่รู้ความจริงของใจความจริงของร่างกายก็คือร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็มีแต่ความอยากอยากให้มันไม่แก่อยากให้มันไม่เจ็บอยากให้มันไม่ตายถ้าเรามาเจริญปัญญาเราก็จะเห็นความจริงว่าร่างกายต้องแก่ร่างกายต้องเจ็บร่างกายต้องตาย เราเรียนจนเห็นความจริงแล้วเนี่ยใจยอมรับความจริงเมื่อใจยอมรับความจริงแล้วเนี่ยเห็นว่าความแก่เป็นเรื่องธรรมดาความเจ็บเป็นเรื่องธรรมดาความตายเป็นเรื่องธรรมดาเห็นธรรมดาเห็นธรรมะแล้วพอเรารู้ว่ามันเป็นธรรมดาแก่เป็นธรรมดาพอแก่ขึ้นมามันก็ธรรมดาแล้ใจมันไม่เศร้าหมองเจ็บไข้ได้ป่วยเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาใจเราก็ไม่เศร้าหมองไม่ปฏิเสธมัน เวลาจะตายเราก็รู้ว่าเป็นธรรมดาร่างกายยังไงก็ต้องตายจิตใจไม่ปฏิเสธกระทั่งความตายจิตใจยังไม่ทุกข์หรอกหรือการที่เราเจอสิ่งที่ชอบบ้างสิ่งที่ไม่ชอบบ้างเพราะสติปัญญาเราไม่พอเราอยากอยู่กับคนคนนี้เราอยากอยู่ตรงนี้เราอยากมีสิ่งนี้เราไม่อยากเจอสิ่งนี้ไม่อยากพบคนนี้ไม่อยากเป็นแบบนี้มีความอยากขึ้นะมาก็มีความทุกข์ขึ้นมา ทำไมมันมีความอยากให้มันได้เพาจริงๆแล้วมันติดในความสุขมันอยากได้ความสุขมันอยากหนีความทุกข์มันมีความรู้สึกว่าถ้าเราได้อยู่กับคนนี้เรามีความสุขเราก็อยากอยู่กับคนนี้มันมีความรู้สึกว่าอยู่กับคนนี้ไม่มีความสุขเราก็ไม่อยากอยู่กับคนนี้ในใจมันก็อยากขึ้นมาให้มันติดในความสุขอยากได้ความสุขมันรักในความสุข พระเจ้าสอนให้เรามาดูความจริงนะในจิตในใจเราความสุขทั้งหลายเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็หายไปหรืออย่างหนึ่งที่เรามีความอยากขึ้นมาเพราะเราเกลียดความทุกข์เราไม่อยากมีความทุกข์ก็เลยเกิดความอยากอยากจะไม่ทุกข์มีความอยากขึ้นมาถ้าเรามาเจริญปัญญาเราเห็นความจริงแล้วเพาความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวยังเวลาความทุกข์เกิดขึ้นใจก็ไม่หวั่นไหวม่รู้ว่าของชั่วคราว ในเวลาจเจริญปัญญานะน่าจะมาดูร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นเรื่องธรรมดาจิตใจนี้มีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างเป็นเรื่องธรรมดาความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปมันเป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นใจเนี่ยจะไม่หิวความสุข ใ, ใจจะไม่เกลียดความทุกข์ใจมันจะไม่มีความอยากขึ้นมามันจะมีแต่อยากได้อยากมีอยากเป็นอันนี้เพราะว่าอยากได้ความสุข อยากไม่มีอยากไม่เป็นเนี่ยอยากพ้นทุกข์อยากพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบใจถ้าเห็นว่าสุขมันก็ของไร้สาระมีชั่วคราวแล้วก็หายไปทุกข์ก็ของไร้สาระมีชั่วคราวแล้วก็หายไปเวลาที่มีความสุขเกิดขึ้นจิตใจก็ไม่หลงระเริงเพราะรู้ว่าอยู่ชั่วคราวก็หายเวลาความสุขหายไปจิตใจก็ไม่เศร้าหมองเพราะรู้ว่าความสุขมันอยู่ชั่วคราวมันก็หาย ความสุขไม่เกิดขึ้นก็ไม่เศร้าหมองไม่สแสวงหาเพราะปัญญามันแก่กล้ามันรู้ว่าความสุขเป็นของโชคคราวสแสวงหามาทําอะไรนักหนาสแสวงหามาแล้วมันก็หายในขณะที่เที่ยวสแสวงหามันนั้นนะเราได้รับความลําบากได้รับความเหน็ดเหนื่อยมากมายเหลือเกินอย่างอยากมีแฟนสักคนมันก็ต้องไปจีบสาวาไปอะไรนี้ลําบากเหนื่อยอยากมีกินมีใช้มากๆอยากรวยๆต้องทํางานหนัก เนี่ยมันมีภาระติดมาด้วยทุกคราวเลยที่มีความอยากเกิดขึ้นเมื่อคนเบื่อเมียนะอยากให้เมียตายเร็วๆนะใจคลุ่มใจไม่ตายสักทนะีมันเป็นภาระนะนั่งแช่งทุกวันเะห็นว่าอะไรมันจะตายอนะใจมันเกิดภาระขึ้นมาเวลามีความอยากภาระเกิดที่ไรความทุกข์ก็เกิดนั่นแหละนะมันทับถมจิตใจของเราถ้าจิตใจมีสติปัญญากแก่กล้าแล้วมันเห็นความจริงว่าสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราว มันก็จะไม่มีความอยากมีอยากได้อยากเป็นนะถ้าไม่เห็นว่าความทุกข์เป็นของชั่วคราวมันก็จะไม่ได้อยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากให้อันนั้นหายไปอยากให้อ น, นี้สูญไปมันอยากอะไรอยากให้ความสุขมันมีอยากให้อะไรหายไปอยากให้ความทุกข์มันหายไปใ จ, ใจมันก็มีความอยากมันอยู่แค่นี้แหละถ้าเมื่อไรสติปัญญาแกกล้าก็เห็นว่า هم, สุขก็ช่วคราวทุกข์ก็ช่วคราวความอยากก็ค่อยๆหายไป อันนี้เป็นธรรมะระดับต้นๆหน่อยนะยังมีสูงกว่านี้อีกสูงกว่านี้เรียนรู้จนเห็นความจริงของธาตุของขันว่ามันไม่ไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรเนะินมันไม่ยึดถือนะเป็นบทความยึดถืออันนี้เราเห็นวนะ่าทุกอย่างมันของชั่วคราวทุกอย่างมันของชว่วคราวเนะนี่ยเรามาดูในร่างกายมาดูในจิตใจวิธนะีจเจริญปัญญาทำยังไง สิ่งที่เรียกว่าการเจริญปัญญานะีคือคําว่ามีปรั ส, สนากรรมฐานแต่หลวงพ่อไม่อยากให้พวกเราติดก่บคานี้มากไปทุกวันนี้มีคนใช้คําว่ามีปรั ส, สนากรรมฐานเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่ได้ทํามีปรัชนาเลยทําสมถนะนั่นแหละแต่บอกว่าทํำมีปรั ส, สนางั้นเรามาลองมาดูทํายังไงจิตใจเราจะมีปัญญาเห็นความจริงของร่างกาย นะทำไงจิตใจเราจะมีปัญญาเห็นความจริงของจิตใจว่ามันสุขบ้างทุกบ้างดีบ้างไรบ้างทุกอย่างชั่วคราวทุกอย่างไม่ใช่เรานะมีแต่ความบีบคั้นสุดท้ายจะเห็นว่าทุกอย่างเป็นตัวทุกปนะัญญาขั้นสูงสุดนะั่นคือเห็นตัวทุกขั้น ต, นตนน้นๆเห็นธรรมดานะเห็นไม่ใช่เราอันี้แจ้งทุกขัอนัตตาอนะไรขั้นสุดท้ายนี่มันเห็นแจ้งนะเห็นแจ้งในกล่องทุกนะถ้าเห็นทุกนี่จิตจ ะ, จะวาง อันนั้นไกลไปหน่อยสําหรับคนเริ่มต้นนั่นเป็นภูมิธรรมของพระอรหันต์ของเราแค่เบื้องต้นให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเห็นแค่นี้ก็พอแล้วสุขเกิดสุข ก, ก็ดับทุกเกิดทุกข์ก็ดับนะร่างกายนี้เกิดร่างกายนี้ก็ดับต้องการเองแค่นี้เองการเจริญปัญญาไม่ใช่การ น, นั่งคิดเอาเนะแื่อโยนความคิดทิ้งไปความคิดไม่ทําให้เกิดปัญญาความคิดทําให้เราฟุ้งซ่าน เพรนถ้าเราอยากมีปัญญาจริงๆเนี่ยนต้องใช้วิธีของพระพุทธเจ้าคือเข้าไปดูเข้าไปเห็นเข้าไปสังเกตเอาเรามีความรู้สึกตัวสังเกตอยู่ในร่างกายนี้เห็นไหมร่างกายเดียวก็หายใจออกเดี๋ยวร่างกายก็หายใจเข้านะหายใจออกก็ทุกข์นะหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกทุกข์ยังไงก็ลองหายใจออกยาวๆแล้วจะรู้ว่าทุกข์ยังไงหายใจเข้าทุกข์ยังไงก็หายใจเข้าให้ยาวที่สุดเลยแล้วก็จะรู้ว่าหายใจเข้าแล้วมันทุกข์ยังไงนะ ยืนอยู่ก็ทุกเดินอยู่ก็ทุกนั่งอยู่ก็ทุกนอนอยู่ก็ทุกแท้จริงในร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาแต่คนทั่วไปไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเพราะอะไรเพราะเวลาความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายเราจะรีบเปลี่ยนอิริยาบถโดยอัตโนมัติเราจะรีบขยับอย่างเวลาเราคันสังเหกตไหมพอเราคันเรายังไม่ทันรู้เลยว่าร่างกายคันแล้วเราก็เก่าเรียบร้อยแล้วหายคันไปแล้วเราไม่รู้สึก พวกเล่านี้ถ้านั่งอยู่ที่หลวงพ่อจะเห็นนะยแต่ละคนนั้นมันลิงมาเกิดนะเก่าขยุกขยิก็ยกยขยิไปเลยนะแต่ไม่รู้ตัวว่าเก่าอยู่มันไม่รู้ตัวว่ามันเคยชินเห็นไหมยิ่งหลวงพ่อพูดยิ่งอยากเการู้สึกไหมเอาซะหน่อยเอ้าให้เก่าเก่าซะหน่อยขยักเกาตรงไหนอ้าอืมความจริงไม่บอกให้เกาก็แอบเกาแต่ว่าไม่รู้ตัว งั้นต่อไปนี้คันขึ้นมานะรู้สึกก่อนคนะันนะ้ให้เก่าไปก็ได้เออเห็นว่าความคันก็หายไปอ่ะเดี๋ยวคันตังนี้อีกละ่ะรู้สึกเนาะหรือนั่งอยู่นี่เดี๋ยวก็ปวดก็เมื่อยนั่งนิ่งๆ น, น, นี่แหละนะขนาดนั่งอยู่แท้ๆก็เมื่อยเวลาเมื่อยพวกเราก็ขยับตัวถ้าเมื่อยมากๆก็ต้องลุกขึ้นไปเดินนะเราเป็นนั่งเป็นนอนเปลี่ยนทิศแบบบทใหญ่ไปเลย ถ้าอย่างเมื่อนิดหน่อยก็พอจะปลี่ยนอิริยาบถย่อยๆให้บิดเอวเนี่ยท่านดูที่หลวงพ่อเห็นจะเห็นนะพวกเรานั่งก็ยุกยิกงเงี้ยเนี่ยนะเนี่ยทำไมต้องเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะเพราะมันปวดมันเมื่อยตลอดชีวิตมาก็เป็นอย่างนี้แหละนะเดี๋ยวคันเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยคันอีกแล้วเกาซะหน่อยนะเนี่ยเราก็ขยับ ขยับขยับพอความทุกข์ในร่างกายเกิดขึ้นเราก็เปลี่ยนอิริยาบถอิริยาบถใหญ่บ้างเช่นลุกขึ้นยืนลุกขึ้นเดินลงนอนอะไรอยางี้อิริยาบถย่อยก็ขยับไปขยับมาหรือหายใจออกหายใจเข้านะก็เหมือนการเปลี่ยนอิริยาบถนั่นเองมันทําให้เราไม่เห็นทุกข์ทั้งทงที่ความทุกข์เนี่ยมีอยู่ในร่างกายตลอดเวลาเลยงั้นต่อไปนี้เราคอยรู้สึกที่ร่างกายของเราบ่อยๆ ย, ย่อมว่าใจลอย ถ้าใจลอยนะเวลาความทุกข์เกิดขึ้นมันแอบเปลี่ยนอิเดียบท์มันแอบเก่าไปเรียบร้อยแล้วมันไม่รู้ตัวว่าทุกข์ให้เห็นทุกข์สัก่อนนะแล้วก็ค่อยเปลี่ยนอิเดีบท์นะให้รู้ทุกข์สัก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนอิเดีบท์รู้สึกอยู่ในร่างกายเนี่ยยังไงก็ทุกข์เดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะเดี๋ยวคันเดี๋ยวปวดอือเดี๋ยวปวดชี่เดี๋ยวกระหายน้ําเดี๋ยวหิวข้าวอะไรเงี้ยเนี่ยมีความทุกข์วนเวียนอยู่ในร่างกายนี้ตลอดเวลาเลย ให้คอยรู้สึกนะก่อนก่อนที่จะไปเปลี่ยนอิเดยมยหรือไปทําอะไรเกี่ยวกับร่างกายถ้าเรารู้สึกแล้วเราจะได้อะไรเราจะได้เห็นความจริงว่าร่างกายนี้มีความทุกข์เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะความทุกข์ก็เกิดขึ้นในร่างกายตลอดเวลาเลยที่ผ่านมามันก็เกิดแต่ไม่เคยเห็นนะเพราะเมื่อเปลี่ยนอิเดียบดไปอย่างรวดเร็วอัตโนมัติถ้าเราคอยรู้สึกตัวอยู่ว่าปวดอีกแล้วคันอีกแล้วอากาสักหน่อยนะ อันนี้เก่าเนี่ยค่อยรู้สึกนะรู้สึกแล้วคอ็ค่อยเปลี่ยนแปลงขึ้นมาหิวข้าวหิวน้ํารู้สึกก่อนแล้วค่อยกินข้าวรู้สึกแล้วค่อยกินน้ํำ <S <S ปวด อ, อปวดชี่รู้สึกก่อนเห็นในร่างกายนี้ทุกนะต้องการขับถ่ายเ น, นี่ยค่อยรู้สึกอยู่ในร่างกายอย่างนี้บ่อยๆสุดท้ายปัญญามันจะเกิดนะร่างกายนี้เป็นก้อนทุกข์ร่างกายนี้คือก้อนทุกข์ ไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของวิเศษเมื่อจิตใจเรารู้ความจริงว่าร่างกายนี้เป็นก้อนทุกแล้วนะถ้าก้อนทุกจะแก่ไม่เห็นเราจะเดือดร้อนเลยก้อนทุกจะเจ็บเราก็ไม่เดดร้อนนะก้อนทุกจะตายเราก็ไม่เดือดร้อ น, นะอ ท, อนที่เราเดือดร้อนเพราะเราคิดว่ามันคือตัวดีตัววิเศษของเราร่างกายนี้เป็นของดีของวิเศษของเรามันจะแก่มันชํารุดสุดโสมลงไปเราไม่ชอบมันเดือดเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่ชอบนะ มันจะตายเราไม่ชอบเพราะว่ามันเป็นของดีเรากลัวสูญเสียแต่ถ้าเราเห็นความจริงแล้วกายนี้คือตัวทุกข์ตัวทุกข์จะแก่สมน้ําหน้ามันตัวทุกข์จะเจ็บสมน้ําหน้ามันตัวทุกข์จะตายสมน้ําหน้ามันเนี่ยคอยรู้สึกอย่างนี้อยู่ในร่างกายนะเป็นวิธีทํากรรมฐานที่ง่ายที่สุดแล้วละ่ะถ้าจะดูจิต ด, ดูใจทํำยังไงถ้าจะดูจิต ด, ดูใจไม่ต้องไปคิดมากเอาแค่คอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองความรู้สึกของเราเกิดทั้งวัน เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรเดี๋ยวหลงเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวหดหูงั้นในใจเรานี่มีแต่ความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอเสมอเปลี่ยนตอนไหนบ้างเปลี่ยนเมื่อตามองเห็นเปลี่ยนเมื่อหูได้ยินเสียงเปลี่ยนเมื่อจมูกได้กลิ่นเปลี่ยนเมื่อลิ้นได้รสเปลี่ยนเมื่อกายกระทบสัมผัสเปลี่ยนเมื่อใจคิดนี่ความรู้สึกเราจะเปลี่ยน การดูจิตดูใจนั่นก็คือรู้ทันความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆดูไปสบายๆจิตใจมีความสุขก็รู้จิตใจมีความทุกข์ก็รู้จิตใจโลภก็รู้จิตใจหายโลภก็รู้จิตใจโกรธก็รู้จิตใจหายโกรธก็รู้จิตใจหลงจิตใจหายหลงก็รู้จิตใจฟุ้งซ่านก็รู้จิตใจหดหู่ก็รู้นะจิตใจอิจฉาริษยาอาฆาตพยาบาทจิตใจกลัวจิตใจกังวลอะไร รู้ไปเรื่อยๆจิตใจขี้เหนียวนรู้ไปเรื่อยๆจิตใจอิจฉานีรู้ไปความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจิตในใจรู้ไปเล่นๆรู้ไปสบายๆอย่างเราคิดถึงคนคนหนึ่งนะคิดถึงคนคนหนึ่งค น, นคนนี้ก็เป็นเพื่อนกับเราเขาถูกลอตเตอรี่เราคิดถึงเขาเออดีใจกับเขา น, ะ, น, ะ, น, ะ, นะเราก็รู้สึกเนี่ยจิตใจของเราเกิดมูทิตาเรียมูทิตา เขามีความสุขเราดีใจกับเขาอีกงวดหนึ่งเขาถูกอีกแล้วใจเราชักจะไม่ค่อยดีใจนะใจเราก็ตุนๆขึ้นมาหน่อยอีกงวดมันยังถูกอีกนะเราอิจฉาเลยคราวนี้ดีเกินไปนะดีเกินไปทนไม่ได้แล้วนะเขาดีนิดหน่อยเราก็พออนุโมทนาดีเยอะกว่าเรามากไปทําไมเราก็ซื้อลอตเตอรี่นะเจ้าเดียวกันนะทําไมเราไม่หยิบใบนั้น เพราไอ้ตัวเนี้ยเป็นเสนียดของเรามันมาหยิบไปก่อนนี่มันจะไปขนาดนั้นนะเนี่ยใจเรามันเปลี่ยนนะหรือบางทีเรานั่งอยู่ดีๆนะหน้าของคนคนหนึ่งก็โผล่ขึ้นมาโอ๊ยคนนี้เป็นคนที่เราชอบมันนึกถึงนะมีความสุขขึ้นมาเนี่ยใจิตใจมีความสุขให้รู้บางทีหน้าของคนคนนี้โผล่ขึ้นมาวุ้เกลียดหน้าดูเลยมันเคยโกงแชร์เราเมื่อสาสิบปีก่อนสมมติอย่างนี้นะ อยู่ๆก็นึกขึ้นมาได้นะใจก็กลับมาเกลียดอีกนะให้รู้ทันว่าใจมันเกลียด น, ะนั่งรถไปตามถนนหนทางเห็นตำรวจตั้งด่านโอ้ยตำตําให้รถติดเกลียดเนะีนะ่ยเรียนะรู้ทันไปเรื่อยนะบางทีไปที่เปรี่ยวๆทาไมตำรวจไม่มาโมโหตำรวจอีกแล้วว่าทําไมไม่มาแถวนีนะ้เราชักกลัวผู้ร้ายแถวนี้นะใจเรานะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคอยรู้ทันความรู้สึกของเรา แล้วเราใจได้เห็นว่าความรู้สึกทุกชนิดเกิดแล้วดับทั้งสิ้นความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วก็ดับความดีเกิดแล้วก็ดับความชั่วเกิดแล้วก็ดับเราจะเห็นว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปพอสติปัญญาแก่กล้ามากๆมันก็จะรู้ความจริงทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวได้เห็นตรงนี้แล้วเนี่ยใจมันจะเข้าสู่ควาเป็นกลางมันจะหมดความดิ้นรนหิวโหยนะ ที่มันมีความอยากมีตัณหาขึ้นมาตัณหามีสามอย่างการมตัณหาความอยากอยากได้การมาตัณหานี้อยากได้ตัวภาวะตัณหาเนี่ยอยากเป็นตัววิภวะตัณหาเนี่ยไม่อยากได้ไม่อยากเป็นปฏิเสธทําไมมันอยากได้อยากมีอยากเป็นก็เพราะว่ามันรู้สึกว่าถ้าได้มาได้มีอย่างนี้ได้เป็นอย่างนี้มันจะมีความสุขมันติดในความสุข ทำไมมันไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเพราะมันคิดว่ามีอันนี้เป็นอันนี้มีความทุกข์มันก็เลยไม่อยากได้นะแต่ถ้ามันมีปัญญานะเห็นวนะ่าสุขมันก็ชั่วคราวทุกข์มันชั่วคราวนะความอยากนี่มันจะลดลงจะค่อยๆน้อยลงน้อยลงไม่ต้ออยากทําอะไรจะอยากหาความสุขดิ้นหาความสุขเหนื่อยแทบตายนะไม่ใช่สบายๆอย่างอยากมีเงินเยอะๆได้ไปซื้อของที่เราชอบใจนะนะหรือได้ทําบ้านสวยๆ ทำงานเหนื่อยแทบตายนะยังเก็บเงินไน ว, สว้สร้างบ้านสวยๆสร้างบ้านสวยๆเสร็จเนะินยังใช้หนี้ไม่หมดต้องทำงานอีกบ้านสวยแค่ไหนไม่รู้เลยนะไม่ได้สนใจบ้านเท่าไหร่มันเหนื่อยเกินบางคนนั้มีสมบัติเยอะมีรถหลายคันมีรถเยอะก็ต้องมีภาระเยอะมีอะไรก็มีภาระเท่านั้นเลยหลายคนนะมีบ้านใหญ่โตรูหราแต่ไม่เคยอยู่ใครอยู่บ้านให้คนใช้อยู่บ้าง บางคนไม่มีเงินจ้างคนใช้ด้วยนะจะทําบ้านไม้ใหญ่ๆ่ให้ใครอยู่ให้จริงจกอยู่จริงจกยิ้มหวานในบ้านนี้พื้นที่เยอะนะมีแสงหากินมากวันวันก็เดินโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ ะ, จะไปนะแลบลิ้นตรงนั้นี่ตรงนี้ิตนะิตัวเองเจ้าของมันไม่ได้อยู่หรอกเนะี่ยมันอยากนะอยากมีความสุขนะแล้วก็ดิน้นตรงที่ดิ้นเนี่ยมันให้ความทุกข์เราเยอะเลยเพื่อจะได้ความสุขมาเนี่ยนะ เราสูญเสียความสุขไปซะแล้วตั้งแต่ตอนที่เที่ยวสแสวงหาความสุขเนี่ยน่าสงสารมากเลยนะดิ้นดินดินดินอย่างเราอยากกินโน้นอยากกินนี่อยากมีเสื้อผ้าสวยๆนะเนี่ยต้องสืบก่อนว่ามันมีขายที่ไหนราคาเท่าไหร่เงินไม่พอจะทำยังไงโอ้ยภาระเยอะเลยสุดท้ายก็ได้ไปซื้อมาไปซื้อสมมตซื้อโทรศัพท์มือถือมาได้สามพันบาทเน ภูมิใจซื้อได้ถูกกลับมาถึงที่ทํางานนะเพื่อนซื้อมาไดอันได้2990โอ้ยใจเรานี่แป้วเลยนะความสุขเราหายไปอีกล้ไปคิดเทียบกับเขาอีกนะเนี่ยความสุขเราเป็นของที่บอบบางนะอย่าไปหลงกับมันมากนะคอยรู้ทันใจของเราไปเห็นในความสุขความรู้สึกเท่าไหร่เป็นของบอบางทั้งนั้นเลยมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปต่อไปใจไม่จะไม่หลง หาความสุขไม่ลงเกลียดความทุกข์นะใจมีค่อยๆสบายดิ้นรนน้อยลงมันก็มีความสุขมากขึ้นอ่ะอยากหากความสุขมันก็ทุกข์ตั้งแต่อยากหาแล้วทุกข์ตั้งแต่ดิ้นรนหาแล้วค่อยรู้ค่อยดูนะนี่คือการเจริญปัญญาไม่เกี่ยวอะไรกับการนั่งหลับหูหลับตาเห็นโลกเห็นสวรรค์อะไรหรอกใครมารู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจส่วนการจะทำสมาธิให้จิตใจสงบนั้นทําเป็นคลั่งคล้าเพื่อให้ใจสบาย เราก็แค่เลือกดูว่าทำกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วสบายใจเราก็ทำบ่อยๆนะทำทุกวันอย่างถ้าเราไหว้พระสวดมนต์แล้วสบายใจเราก็ไหว้พระสวดมนต์บ่อยๆนะใจเราก็มีสมาธิขึ้มนมาได้สมถะได้ความสุขได้ความสงบบางคนนะทำอะไรไม่ถูกกลุ้มใจมากๆไปตามวัดที่เขามให้หวังมัดฉาอะไรอย่างนี้นนะซื้ออาหารให้ปลากิน ซื้อถุงเดียวก็พอไม่ต้องซื้อหลายถุงเทลงไปมากน้ําในแม่น้ํามันจะเน่านะบางคนเนะี่ยเทโครมโครมอยากได้บุญเยอะๆปลาตายหมดเลยนะน้ําเน่าหนะยอดหยอดหยอดลงไปปลามากินเราได้เลี้ยงปลานะใจเราเป็นกุศลนะมันมีความสุขใครเคยไปเลี้ยงปลาแบบนี้บ้างมีไหมนะแล้วใครเคยไปบ่อตกปลาบ้างออให้อาหารปลาเหมือนกันเห็นไหมอ่า ให้อาหารเหมือนกันอะอันนึงเกี่ยวเบ็ดไหมปุ่มใจมีบอ่อตกปลานะเดี๋ยวนี้หลวงพ่ะไม่เคยเข้าไปหรอกนั่งรถฐานเขาปิดป้ายมีบอ่อตกปลาแต่เราให้อาหารปลาใจเราก็มีความสุขนแต่คอยดูใจไปด้วยนะให้อาหารปลาอุ้ตัวนี้เล็กตัวเล็กน่าสงสารผอมให้เยอะหน่อยตัวนี้อ้วนแล้วแก้งทําให้เห็นให้ตัวนี้แทนเลยเนี้คอยวัดใจของตัวเองดูแจขงตัวเองนี ใ, ใจกระทั่งเลี้ยงปลานะในแม่น้ํานะยังลําเอียงเลยยังมีนะไม่ใช่ไม่มีหลวงพ่อเคยไปเลี้ยงบ่อยหลวงพ่อแอบชำเลืองเนี่ยอ๋อมันลําเอียงชัดๆเลยเห็นนะ <c oughs> บางทีโมโหนะให้ตัวเล็กตัวใหญ่มันมาแย่งมันเบียดไอ้ตัวเล็กปึ้งเนี้ยนะตัวเล็กกระเด็ดเลยแล้วมันก็กินแล้วไอ้ตัวเล็กไปโนต้ตเราไปหยอดที่โนต้ตไอ้นี่ตามไปเบียดอีกโมโหอนะ่ะแทบจะหาอะไรกว้างหัวไอ้ตัวโต <c oughs> เนี่ยเราก็รู้ทันใจของเรานะใจเราสงสารใอตัวนี้รู้ใจเราโมโหไอ้ตัวนี้เรารู้รู้ทันใจของตัวเองไปได้วยต่ไปเราพอเลียงปลาเสร็จเราขึ้นมาแนละ้วเห็นอา้าวหายไปหมดแล้วนะหายไปหมดแล้วความรู้สึกต่างๆทุกอย่างชั่วคราวหมดงั้นหัดไปดูนะหัดไปดูเอาไปกินข้าวนะแล้วก็ไปหัดรู้ทันความทุกข์ในร่างกายไปรู้ทันความเปลี่ยนแปลงในจิตใจนิมนต์ครับ